ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปัทมะนรุธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำถามของพระอนุรุธสูตรแรกขราวหนึ่งพระอนุรุตเทระในใชายทิระจักสุข สวดดูสตัตวโลกที่มีการเกิดมีการตายการไปสู่คติภพต่างๆหรือพระนุรนุตด้านเป็นพระอราหันต์ที่รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ายอดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการใช้ทิพยษุขคือจะรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆก็ตาทิพยะ แต่ว่าจริงท่านก็รู้เฉพาะว่าใครตายใครเกิดไปเกิดที่ไหนอะไรอะไรแต่เหตุแต่เหตุที่ตายแล้วไปเกิดอยที่นั้นเนี่ยท่านไม่รู้จึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าือข้าพระองค์ใรที่เปจากสุขสวดูสัตว์ตัวโลก ก็เห็นมาตุคามบังเกิดในอบายมากเกิดอะไรเป็นเหตุให้มาตุคามทั้งหลายบังเกิดในอบายพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุไปสามเหตุด้วยกันแต่การใช้คำว่ามาตุคามหมายถึงผู้หญิงนะฮะมาุคามหมายถึงผู้หญิงก็เหมือนกับใช้คบว่าภิกษุหมายเอ่อ ชื่อบวชศกอะไรต่ออะไรก็ตามไม่เป็นการประรบเท่านั้นเองนะะเป็นการประรบตัวคนท่านั้นประศูนย์ใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าฟิกษุปจะเป็นการเป็นเป็นตัวเหตุได้ารประรบลบแต่ธรรมะจะมีความเป็นสากลเอาความมาใครก็ตามที่ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุได้ไดความสุขทุกคนก็ได้ความสุขจะา ก, การปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไร ทรงแสดงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแลยวค่อนข้างเป็นเป็นอารมณ์ในแต่ละวันของคนทรงแสดงไว้ว่าในตอนเช้านี่จิตใจถูกกลุ้มรุมด้วยอำนาจของมัจฉิรยะหรือความสนิทจะเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมามีแต่เรื่องหัวงเรื่องข่ ว, เ ง, วเงเรื่องเสดได เรื่องวุ่นวายจิตใจมันไม่สงบกินอาหารมากก็ด่าใช้น้ํามากก็ด่าอะไรก็ด่าเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของความเสนิทความหวงความเสียดายจิตใจก็ไม่ได้กําจัดความเสนิทออกไปแล้วก็เพิ่มความเสนิทขึ้นเป็นเหตุแรกนะฮะที่ให้ตกนรก กรณีนั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นห้าประกาศท่านเห็นว่าบางก็เกี่ยวกับสิ่งแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์ไอ้เกี่ยวกับคนนะครับประการแรกเราเรียกวาล า, าพระมัจจะคือสนีทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ต่างๆไม่ยอมสละให้ปันอึกฟือฟ้อเผื่อแผ่แกบุกคคลอื่นและถ้าสนีมากๆเนี่ยฮะ แม้แต่ของคนอื่นเรารู้สึกวุ่นวายเจนเห็นใครเอาเงิ น, นอทองไปจ่ายในเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยมากเรารู้สึกเสียดายรู้สึกต่อต้านรู้สึกขัดขวางก็เป็นอาการของความสนิาที่มันเอื้อมไปวุ่นวายจนถึงทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นตลองนึกดูว่าภายในครอบครัวเราก็ได้นะใจมันก็ไม่สงบ เราตื่นเช้าขึ้นมาเป็นหวงตรงนั้นเสียดายตรงนั้นแล้วก็มีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปเยอะในแต่ละเช้านะฮะไปจ่ายของไปซื้อของอะไรอะไรมาหามากินแต่จะมีแต่ความสนิทความหวงความเสียดายใจมันก็ไม่สุขก็เดือดร้อนแล้วก็ประกาศต่อไปนั้นก็เป็นการสนิทที่อยู่ที่อาศัย วงที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องการในคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมาอยู่มาอาศัยในสถานที่เห่านั้นมันก็ออกอลามปาไปเรื่อยๆนะฮะจนบางอย่างไม่คยเกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็ไม่อยากอยากเห็นอยากได้คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานที่เหล่านั้น จนถึงกับบางทีก็แรงแงนะฮะบางทีแรงๆงมีการฆ่ามีการทำลายนะอย่างเป็นการยิงกันที่เกาะไอ้เกียกร์กระลังนกอะไรที่พัทลุงเมือก่อนเนเกิดเรื่องอย่างนี้นเราเห็นว่ามันก็หวงทั้งทรัพย์ทั้งสถานที่คนเข้าไปบริเวณนั้นก็เข้าไปอะไรเราก็ไม่รู้ก็ทำลายก็แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นนว่าจิตใจที่หวง สถานที่ก็ได้หวงรั์ก็ได้ก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นภายในใจรู้สึกว่าคนอื่นจะมาแบ่งมาแย่งมาแยกแต่อาจจะทำลายคนอื่นประการต่อไปนั้นเป็นการสนิสนิพวกสนิสนิสนสนผิวนะเขาเรียกว่านนะักมัจจิยะสนิพวกหรือสนิผิว ตลอดถึงตะหนีความดีก็หมายหมายความว่าเสียดายผิวเป็นห่วงผิวจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือเสียดายพวกเป็นห่วงพวกไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกของตัวเองแล้วรวมถึงความดีทั้งหลายที่ยิ่งความดีเนี่ยไม่ลดไม่เพิ่มเลยนะหมายความว่าเรามีความดีเราจะให้ความดีแก่เพื่อนของเราเราก็ไม่ลดอะไรไป จริงเราเพิ่มความดีโดยซ้ำไปแต่คนก็หวงก็ไม่ยอมให้คนอื่นเป็นพวกปกปิดวิชาความรู้ต่างๆเอาไวนะ้่กลัวคนอื่นจะรู้เท่าตัวเองแต่วันทีปิดไปปิดมาตัวเองตายเลยความรู้นั้นหายไปจากโลกแล้วสนีสกุล สกุลจนไม่ต้องการในสกุลของเราเกี่ยวข้องกับสกุลอื่นหือพวกถือสกุลจนกลายเป็นวรรณะในพวกของพราหมณ์ในพวกกันไรเนี่ยแล้วก็อาจจะรุนแรงจนถึงกับทําลายล้างสกุลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสกุลตัวเองแล้วก็จะหนีธรรมะ สนีหลักทมคำสอนต่งตางๆไม่ยอมบอกกล่าวชี้แจงอธิบายคนอื่นรู้คนอึ่นเข้าใจาเช้ า, ใ น, ช า, ชาในเช้าขึ้นมาฟังรายการผู้หญิงคนผู้ชายคนไม่ทราบสถานีอนะไรตัวพูดตึงเรื่องอนุตตรอาจารย์ชิงไหนะ้คนไทยเราเก็กเวนใครมาหลอกยังไงเชื่อหมดเวนกรรมจริงๆทําน่ ปรากฏว่ามีการถามปัญหานี้ถามปัญหาเยอะเต ไ, ไม่ยอมตอบขนะดก็ใช้ล่ำมันนะเรื อ, อยังชื่นชมไปฟังกันนะนั้มีอยู่เยอะที่เข้ามาเผยแพร่กันอยู่เวลเนี่ซึ่งว่ากระทำเป็นจริงถ้ามันถูกต้องมันก็ไม่แปลกอะไรนะแต่กะไรก็ช่วยกันพูดช่วยกั น, กน แต่บันทีก็เป็นการหลอกลวง้องกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายสแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นรูปของวัตถุก็ทำคนให้หลงมากยิ่งขึ้นแต่ยังนึกยังนึกชิมชมเขานะฮะว่าเขาจับได้ก็เข้าใจเนะี่ยแล้วฟังได้หน่อยเดีย ว, ว ม, มันดีเพิ่ขึ้นผู้หญิงคนของผู้ชาชก่อน คือถ้าช่วยบอกกล่าวชี้แจงอะไรกันบ้างประดีพระพุทเจ้าส่งสอนว่าเรื่องที่ควรปิดเนี่ยคือความเห็นผิดนี่ควรปิดไม่ใช่ควรจะเปิดเพราะอะไรเพราะถ้าไปเปิดเผยขึ้นเนี่ยมันมันเป็นดึงคนอื่นให้มาเห็นผิดตามเราด้วย เราเห็นผิดอยู่เราก็เฉยๆเอาไว้เพราะงั้นในที่นี้ที่ว่าธรร ม, มะมัจเริยะก็ดีวันหน้ามัจเริยะก็ดีทัดหมายถึงตัวความดีนะฮะไม่ใช่ตัวความไม่ดีตระหนีความไม่ดีก็ไม่ไปว่าอะไรหรอกนะไม่ต้องเผยแพร่ความไม่ดีแก่คนอื่นก็ไม่ว่ากันแต่ความดีนั้นก็สอนให้เผยแพร่เพือเบื่อแผ่แก่บคุคคลืึกคนจิตใจที่มีความตระ น, นี่ท่านทัน้งหลายลองสังเกตว่า มันจะไปยึดในตัวทั้งคนทั้งสิ่งนะเจ้าเพื่อนก็เราไปคุยกับคนอื่นเราไม่ชอบกับโกรธอ่วบางทีก็ทะเลาะ ก, กันเลยอันนั้นคือแสดงอาการสนิทแสดงหวงแม้แต่ตัวคนตัวเพื่อนตัวพวกตัวแฟนตัวสามีตัวพัญยานแสดงถึงความสนิทคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้ โทรศคุยกอดึงก็ไม่ได้เลิกงุนงิดตั้งแต่เช้าเลยก็แสดงว่าจิตใจก็เราร้อนด้วยโทรศัพท์เรารอ้รารารอนด้วยรทิ์ยาไม่ใช่เราร้อนในริษยาเราร้อนในมัจฉริยะแต่ที่นี้มัจฉริยะนี่ที่จริงมันก็สืบเนื่องมานะครับตนน้นทนายลองสังเกตว่ามราโลพะในตัวคนโลภะในราคาในตัวคน แล้วในตัววัตถุสิ่งของเพราะถ้าสิ่งของนั้นเราไม่อยากได้เราไม่มีราคาไม่มีความกำหนัดไม่มีโลภะไม่มีความอยากได้เราก็จะไม่เกิดมัจฉยิยะคือจะไม่หวงไม่หวงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นิ่งนั้นเราจะต้องรู้สึกในทางราคากำหนัดหรือทางโลภะความอยากจึงจะเกิดเป็นมัจฉยายะแต่ในนี้คนเนี่ย เราต้องมีความรู้สึกที่เป็นโทสะคือเราต้องไม่ชอบเขาต้องไม่ชอบเขาจึงเกิดเป็นมัจรยิยะถ้าเราชอบมันก็ไม่แปลกนะเช่นเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเราเนี่ยไม่ก็ไม่แปลกอะไรเราก็สะดวกสนานเห้ชิมชมยูด่ดีเขาไม่คุยกันโดยซ้ําไปเราต้องพยายามเองก็คุยกันแนะนําไม่รู้จักกาันก็ขัดแย้งกันก็พยายามที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์เพื่อไม่ให้ไปขัดแย้งกัน เพราะตัวตัวตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกเราเป็นลักษณะทางอารมณ์เป็นลักษณะของทางอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของของเหตุผลอะไรเมื่อคืนเนวันนั่งเอาไอ้มาตรารัฐธรรมนูญสองมาตรารวมเป็นสี่มาตรานะที่เขาทะเลาะกันจนรัฐบาลลาออกกันเนี่ยคือถ้าเรามองในแง่ว่า มันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ยกร่างไว้ก่อนมก็ดีแล้วนะะมันมันไม่การประนีประนอมมันเป็นการมองถึงความพร้อมว่าเป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตไม่ใช่ใช้กฎหมายประกาศสิทธิ์ฟันครัลงไปต้องเลือกตั้งหมดทุกระดับอย่าง น, นี้ก็ตายคฎมันไม่พร้อม เพราะขนาดผู้แทนราษฎรเราเลือกมาหกสิกว่าปีมันยังไม่พร้อมเลยนะฮะจะเลือกตั้งข้างล่างทั่วประเทศมันจะเลือกได้ยังไงเวานั่งนึกดูมันนั่งอ่านไปอ่านมาเอ๊ะทำไมไม่ประนี่ประนอมกันเพราะจริงๆผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าในครงร่างเดิมนะฮะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้เก้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติแล้วมันจะประสานประโยูนตรงนี้ยังไม่พร้อม ตอนยังไม่พร้อมเราต้องให้การาศาึกษาแก่คนเสียก่อนต้องแนะนำเสียก่อนต้องมีพี่เลี้ยงไปก่อนนะตรงนี้พร้อมก็ไปได้เลยก็ว่ากันไปตามลําดับแต่เราก็อะไรคือลักษณะของความยึดติดเราต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่งอืดไม่ได้เป็นความยึดติดที่ขาดการประณีประนอมขาดการประสานประโยชน์เราจนมือมีความรู้สึกว่าประเทศคือเราเราคือประเทศเนี่ยนะ ไอ้สุก็กลายเป็นจุดที่แตกหักแต่ผลนที่ที่จริงผลจากภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยไปบรรจบ ก, กันนะบรรจบ ก, กันเพียงแต่ว่าแนวเดิมแนวที่ผ่านไปเนี่ยเป็นแนวที่คงรูปของสถาบันหรือรักษาสถาบั น, าบนชาติศาสนาประชาษาปไตยไว้แต่แนวใหม่นี่ไม่แน่นะฮะตอนปลายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือสามารถที่จะออกไปอย่างอื่นได้ แต่ถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นนะนะฮะเราก็ปรับไปตัวเงินได้อีกกันเรา แ, แก้ตัวเงินในป้องป้องกันอันตรายไปได้อีกแม้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากโลภะเกิดมาจากโทสะแล้วก็เราเองก็หมัวห่าคือหลงในตัวเราเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้คล้ายๆเราเป็นตลอดคล้ายๆเราเป็นอย่างนั้นตลอด แล้วก็สัจธรรมก็แสดงเห็นว่าไม่ได้เป็นตลอดทีนี้ถ้าบอกว่าตอนเชียงเนี่ยตอนเที่นี่จิตกลุ่มบุมด้วยิษยาจิตถูกรุ่มรุมด้วยิษยาเรื่องิษยานี่ยเป็นเรื่องใหญ่ท่านเห็นว่าอันนี้ก็ความโลภนะฮะความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลาย ความนิษยาก็ทําโรคไอพินาดมันยุ่งทั้งนั้นแหละกิเลสสามตัวที่ส่งสอนเนี่ยกิเลสสามตัวที่จริงไม่ได้จอดจงผู้หญิงผู้ชายนะครแต่ว่าพระอรุทธเพียงแต่ท่านประรบท่านเห็นว่าผู้หญิงตกนรกกันแยะทำไมยิ่งตกนรกก็ประรบขึ้นมาอย่างนั้นท่าง น, นั้นเองที่จริงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือกันก็ตกนรกด้วยกันตกนรกที่ใจก่อนก็เห็นได้ชัดว่าที่ใจนี่ร้อนนรกก็คือร้อนนะั่นนะ ที่อุ ป, อปมานรกมันหลุมทานเพลิงเป็นไฟอะฮะเป็นไฟมันหลุมฐานเพลิงมันตกลงไปในหลุมฐานเพลิงถ้าเราสังเกตริศยานี่ร้อนยิ่งริศยามากยิ่งร้อนจะหนีหรือจะหนีก็ร้อนนะฮะจะหนีก็ร้อนเลยเราหวงเราพวงแล้วใครมาทําอะไรไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะเกิดร้อนขึ้นมาไปไหย ปกติกระอักโตหิตายนะฮะไม่เช่็ลิศวันก่อนเเมือ่อเมื่อวานเนี่ยไปไประชุมกันที่สวชสำนักศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติก็มาประรบเรื่องคือจะจัดงานเชิดชูเกียรติท่านาคุณธรรมบิดกของการยูเนสโกเขาให้รางวัลบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมสันติภาพโลก มันพูดไปพูดมามันคิดจะเรียกไรส่สตางค์ชาวบ้านปกุยไม่ได้หรอกจะเรียกไรส่สตางเนี่ยไม่ได้การทำงานปัจเจกาชนคือเราต้องทำในหมู่คนที่เรารักนับถือกันเองไม่ใช่เปแต่ไทยต่างชาวบ้านแล้วก็อธิบายให้เขาฟังบอกว่าเราอย่าลืมนะะสังเกตพฤติกรรมของคนให้ดีว่าเวลามีคนได้ดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกคนก็ชื่นชม คนที่รักท่านนเดงก็ชื่นชมนี่คนที่ไม่รักเนี่ยเขาริษยานะอย่าลืมว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังถูกริษยาเลยดังเราจะต้องระมัดระวังโลยจากพฤติกรรมตรงนี้ให้เราสังเกตว่าความริษยามันเป็นกิเลสบวกคล้ายคลยกับมัจฉรยิยะในมัจฉริยะคือความสนิทตะกี้เนี่ยให้เราสังเกตว่าในตัวคนในเราหวง ไม่ใช่ตัวคนตัววัตถุตัวสิ่งตัวสิ่งที่เราที่เราสนิทนะฮะเราจะหวงเราจะรักเป็นของของเราแต่บางทีเอื้อมไปเป็นของคนอื่นนที่ว่านยในตัวคนเราไม่ชอบในตัวคนเราไม่ชอบเราจึงห่วงเราจึงไม่ให้แต่ถ้าเราแก้ที่คนเราชอบคนที่เราชอบเราก็ให้นะฮะหรือว่าของเราไม่เสียดายเราก็ให้ แต่จะให้กับคนที่เราที่เราชอบเท่านั้นถ้าคนเราไม่ชอบเราก็ไม่ให้เพราะการให้จึงให้ด้วยความรักความเมตตาความศรัทธาความ จ, าามจงรักภักดีความเคารพนับถือความสงสารอะไร่ะไรเราให้ได้แต่ถ้าโกรธเราก็ให้ไม่ได้แม้แต่ของที่เราไม่ได้ใช้แม้แต่ของที่เราไม่หวงเพราะงั้นการจะบริจาค ก, การสละได้จึงขจัดกิเลสได้สองข้อนะลดกิเลสได้สองข้อแต่ลดข้อเดียวเนี่ยให้ไม่ได้ลองไหนลอง สังเกตดูกันแล้วกันว่าถ้าเราลดเฉพาะโลภะแต่คนนี้เรายัางไม่ชอบเราให้ของนั้นของแก่คนนั้นไม่ได้ให้คนอื่นได้นะคับกับคนนั้นจะให้ไม่ได้ทีนี้พอมาถึงริษยาเนี่ยริษยาเป็นอาการคล้ายๆกันกันกบปัจจัยแต่เป็นการประรบที่คนอื่นคือของคนอื่นไม่ใช่ของเรา ของนคนอื่นเขาได้เราเกิดริษยาแต่มัจจริยานี่ของ ข, ของเราของขอเราเราจะให้ไปริษยานั้นเป็นสิ่งเป็นของที่คนอื่นเขาได้เป็นลาบเป็นยศเป็นสุขเป็นสรรเสริญที่คนอื่นเขาได้แล้วเราก็เกิดริษยาเพิ่นปรถามใจตัวเองมาทําไมจึงริษยา เราก็ตอบได้ว่าเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นเสียเองเมื่อคนอื่นได้เราก็ไม่ชอบก็แสดงว่าตัวคนที่ได้นั้นเราไม่ชอบซึ่งอาจจะจะไม่ใช่ไม่ชอบมาก่อนแต่เกิดไม่ชอบเพราะเขาไปได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเขานะ่ยทำให้เราไม่ได้เราจะเกิดไม่ชอบเขา อย่างที่เคยเล่าถึงพี่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัต ท, ท่านไปดูอีกาแย่งอาหารกันเนี่ยคือเห็นว่าอิกาต่างต่างตัวต่างกลบบินเพียงแต่ว่าพอตัวหนึ่งไปคาบเนื้อมานี่ตัวหนึ่งเกิดริษยาคือเกิดอยากได้ก็มาแย่ง ต, ตัวนี้ก็ป้องกันเนื้อตัวเองอีกตัวหนึ่งเห็นข้าวก็ริษยาคือเกิดอยากได้โดยก็มาแย่งอีก ตัวนี้เห็นสู้ไม่ไหวก็อ้าปากเพื่อจะจิกเพื่อนเนื้อก็หล่นเพราะเนื้อหล่นเนี่ยไม่มีสิ่งให้ได้เสยอีกาก็บินแยกออกไปแล้วมาลงมันดูที่หมาจำตัวข้างล่างอีกมันก็เหมือนกันว่าหมาจำตัวข้างล่างพอพอเนื้อหล่นปั๊บตัวหนึ่งก็งับเข้าไปเลยอีกตัวหนึ่งบิ่งเข้ามาแยกกดต่อสู้กันตัวนี้ก็ขาบเนื้อไว้ในที่สุดมันก็ทึงกันไปทึงกันมาพอหมดเนื้อมันก็แยกกัน นั่นคือภาพที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นในสมัยที่เป็นโพสตาต์ว่าอันนี้เพราะอย่างนี้เองเพราะใจมันเป็นอย่างนี้เองถ้ามีสิ่งนี้มีวัตถุกรรมายื้อแย่งกันค้นมันก็ยื้อแย่งถ้าใจเขาอยากในสิ่งนั้นถ้าใจไม่อยากมันก็ไม่แย่งใจไม่อยากมันก็ไม่แย่งแค่การเด็กก็แย่งของกันเราก็ไม่ไปแย่งกัรเด็กโดยไม่แย่งกัรเด็กเพราะเราไม่ได้อยากของเรานั้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กนั้นเป็นลูกหลานเรานะเรารักเด็กเราอาจจะไปแย่งตัวอาจจะช่วยเด็กแย่งซึ่งหมายความว่ามยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็ลดตัวลงไปแย่งกับเด็กนะผู้ใหญ่ลงไปแย่งกันคนริษยาจึงกลายเป็นกิเลสที่บวชเราอยากได้ของอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สุขอยากได้ส น, สนเสริญเหล่านั้นแล้วคนอื่นเขาได้เสียเราก็ริษยา ฤิษยาในตัวคนจนถึงกับมุ่งอาคาตพพาบาต ท, ทำลายล้างกดเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ของและบางทีเราก็ไม่ได้คำนึงถึ ง, ถ, งถึงบาป บ, บุญคุณโทษอะไรนะฮะขอให้ได้เพราะะภาพเหล่านี้เราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าทำไมสังคมเวลามีข่าวเวลามีข่าวในทางไม่ดีของคนอื่นเนี่ย สังคมจึงเชื่อข่าวเราไนดะ้เรียกว่าไปวิาพากษวิจารณ์ติดตามกันใหญ่เลยแต่เวลาไปพูดถึงดีทาไมไม่ค่อยเชื่อเวลาพูดถึงความดีของคนก็นไม่ค่อยเชื่อตนะให้เราสังเกตเถะพูดถึงความดีของคนนี่คนไม่ค่อยเชื่อไม่จริงอนะ่ะพูดเกิดไปแต่บางทีเนี่ยไปแต่ แต่ตัวดำไปแต่เตี้ยไปแต่อ้วนไปแต่จมูกโตลไปนะคือคือคื อ, คอต้องต้องลดคุณคุณคุณความดีของคนลงไปเพื่อเห็นว่าดีจริงแต่มันดีน้อยทำไมล่ะภายในใจคนนั้นเราจะเห็นว่ามันมีกิเลส ท, ที่มีปัญหาระดับโลกอยู่สองตัวใหญ่ๆพระเจ้าทรงทรงแสดงไปอย่างความริษยาทำโลกให้ผิดหน้า แล้วก็อะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกซึ่งหมายความยังไงหมายความการเบียดเบียนกันก็คือการสร้างทุกข์ในโลกสัตว์โลกมีริษยากับมีวิหิงสานีเป็นฐานอยู่ภายในใจสัตว์โลกจึงชอบความรุนแรงชอบดูการรุนแรงชอบดูความบิบติเดือดร้อนชอบดูไฟไหม้ชอบดูสงครามชอบดูการฆ่ากัน เพรข่าวควหนังสือพิมพ์ตั้งนักหลาชเ็นว่าหนังสือพิมพ์ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงขง่าวหือพปล่จะลงอยู่สี่ห้าเรื่องสังเกตนะฮะเรื่องเพศเรื่องอารยกรรมนะเรื่องการลักขโมยเรื่องการเมืองนะเรื่องสิ่งเสพติดส่วนสงครามท้งเพิมก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันมันจะลงอยู่สี่ห้าเรื่องนะ อ่านในหนังสือพิมันมาลองตัดเก็บเกาะกลุ่มดูแล้วจะเห็นว่าช่วปีช่วงั่วนาตาปีจะลงข่าวเรื่องสีห้าเรื่องอยู่ตรงนี้อะไรมาส น, นองตัณหาของสังคมสังมชอบดูความพิบัติถ้าจะลงข่าวพระต้องลงข่าวพระไม่ดีลงข่าวพระไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญกรรมฐานอย่างข่าวอย่างนี้ก็แม่วอาไปลงมาเราทำมายี่สิบปียังไม่เป็นข่าวเลยนะ ว่าเขาไม่ลงอนะ่ะข่าวดีๆเนี่ยเขาไม่มีใครลงให้เรามันไม่สนองไม่ไ ม, ไม่ไม่สนองวิหิงสาคนคือความคิดเบียดเบียนของค น, นไม่สนองแต่ว่าถ้าลงเรื่องไม่ดีเนี่ยมันสนองมันมันสนองความริความความความคิดเบียดเบียนเพราะนั้นข่าวๆไม่ดีคนจึงชอบคนจึงติดตามคนไม่เคยอ้างการามาสูตร ว่าต้องฟังหูไว้หูนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นไม่ไม่เลิกเลยไม่เอามาใช้เลยกาลมาสุดที่อ้างกันนะอ้างกันหาเขาไม่เคยใช้ในกรณีที่พูดถึงความชั่วคนอื่นคือกระโจดกระโดดข้าข้า ว, าวย่ำเลยโบราณสอนเอาไว้ว่าคนลมค้าม ไ, ไ, ไอ้ไม่ลมข้ามได้คนลมอยากข้ามเรนนี่ก็ทืบเลยกรนะทึบเลยต้องการความมันมากต้องการความสะใจมากกระทึบเลย จริงไม่จริงเราไม่รู้เรื่องเนี่ย น, นะกระโดดลงไปแล้วกระเทิบลงไปไแต่พระลงข่าวดีทำไมจึงไม่คอ ย, ยอมรับหนังสือพิมพ์ทำไมจึงไม่หลงข่าวดีเพราะคนมาริษยาเห็นหั้ยคนมนริษยาที่ลงได้เนี่ยเพราะคนเบียดเบียนคนไม่มีวิงสาคือชอบเบียดเบียนข่าวดีๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยรับถ้าจาเป็นจะต้องรับเนี่ยต้องบีบจานวนให้น้อยที่สุด แม้แต่ข่าวการให้รางวัลเสาเสมาธรรมจักในวันวิสาขาบูชาเนี่ยนีคนบางคนเนี่ยเขายังว่าจะมาบอกว่ารางวัลที่จะคุณให้ในโหลโช่างกะโหลกโล็โหลแต่เขาไม่นึกว่าประชากรห0สิบล้านเนี่ยเราเลือกมาได้ปีหนึ่งรอกว่าคนนั่นเองแล้วต้องมีตั้งสิบประเภทด้วยนะมีสิบประเภทแล้วก็แบ่งเป็นพระเป็นกราวะเอาก็จริงนี่จังหวัดจึงได้ไม่เกินสองคน เยังถูกด่านะฮะถูกดาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ก็ เ, เขาไม่ได้ฮนะนั่นคืออะไรคือความริษยาความริษยาเนี่ยทำให้คนไม่ยอมรับความดีของสังคมแล้วที่ร้ายกว่านั้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนดีจึงถูกทำลายถ้าเกิดสังเกตว่าคนดีในโลกนี้ถูกคนชั่วทำลาย ศาสตาพระพุทธเจ้าเราก็ถูกพวกริษยาทั้งนั้นทำลายนางกินตมะนาวนมา น, า น, มานาวิกาที่มาใส่ร้ายเราพุทธเจ้าก็เกิดจากพวกนิครนเขาริษยาพระพุทธเจ้าที่มีคนเคารพนองถือมากก็เลยจ้างนางกินตมะนาวิกามาใส่ร้ายเห็นไนหะพระโมคคัลลานะถูกฆ่าเพราะว่าพวกอัญญาเดชีเขาริษยาพระศาสนาว่ามีมือ มีมือเผยแผ่าศาสนาที่เด่นมากคนเคารพรักถือมากพระโมคคัลลานะนี่คนนับถือาศาสนามากที่สุดเพราะท่านนะ่ะรองมาจากพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านเล่นกับลูกชาวบ้านพระสารีบุตรนั้นท่านเทศวางยากมากต้องระดับนักปราชลาดแต่ว่าพระโมคคัาลล า, า, านั้นเทศกับชาวบ้านต่อไปซึ่งซึ่งสามัญชนเนี่ยมันเยอะ สามัญชนนี่เกลือนกลทั้งแผ่นดินเนี่ยมากพระโมกขาณนะต้องก็ดึงคนเหล่านี้เข้าห า, าศาสนาช่วยเหลือก็ทุกแบบแบบสังคมสงเคราะห์แบบส า, สาธารณะสงเคราะห์แบบอบรมสั่งสอนแบบช่วยเหลือบางทีโยมอุปถากถูกโจนจับลูกไปเรียกค่าถ่ายท่านก็ไปเอามาให้เลยคนรักมากหลวยาเดชีบอกว่าถ้า คาพระโมกขารณะจะได้เลยฮะมันก็จะลดความก้าวหน้าความเจริญของพุทธศาสนานได้เยอะก็ไปจางค่านั่นคือความริษยาแต่เมื่อวานก็นมา ก, ก็บอกท่านรองเลขาธิการบอกยกยกตัวอย่างลองลองดูสงครามโลกสงครามใหญ่ๆมันมาจากริษยาทนะนะั้นนี่คือคือคือสังคมคนนะสังคมคน เวลาเราพูดถึงความดีพูดถึงพระดีพูดถึงอะไรดีเนี่ยเราจะหยิบมาองเดียวแล้วก็มีคนเยอะทต่เขาไม่ยอมมันจะแต่แต่อย่างงั้นแต่อย่างนี้แต่อย่างน้ น, ง น, ง น, นเอาอีกตรงนี้เวลาพูดถึงความดีจึงต้องระมัดระวงังจึงต้องระมัดระวังในกรณีที่ท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ตอนเราเริ่มทำหลักสูตรเด็ก หลักสูตรพระพุทธศาสนาที่เอาประวัติบุคคลมาเรียนนะครประวัติบุคคลมาเรียนอามาก็เป็นกรรมาการก็จะเอาประวัติเรียยประวัติท่านพุทธทาสปัญญานันทะนี่ตายสมเด็จสังกราชมังกับคุณประยุทธ์มังไรแต่ไรใครอามามไม่ได้หรอกคนมีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้เราถ้าจะเอาประวัติเนี่ยต้องเอาคนที่ลงตัวคือคนตายแล้ว เราเรียนประวัติต้องเรียนคนตายแล้วนะไป เ, เรียนคนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่แน่นะัมนไม่ใช่พระอาราหันเนี่ยเมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงเข้ามาสักฉีแล้วก็เด็กก็ซึมซับไปเยอะ เ, ยเด็กก็จะผิดหวังมากโอ้ว้ยนี่คนนี้ครูสอนอย่างงั้นอย่างนี้ชีอุปกรณ์ ด, ดีจะเยอะแยะล้ะบทวิชาเป็นนี้เป็นอย่างนี้เองเด็กจะชิงชังสังคมอันอันตราย ในสุดก็โตลงเหลื อ, อเฉพาะคนที่ตายแล้วตั้งนั้นนะฮะเรียนครูบาสีวิชยัยสมเด็จพระมาสํนานาอะไรแต่เราเอามาเรียนเรียนคนตายต้องเรียนคนตายนะะเรียนคนเป็นไม่ได้เพราะในความเป็นคนเป็นเนี่ยยังมีเรามีเขามีพวกเราพวกพูดขึ้นไปเสียกันไปคนก็อาศัยฤิษยาเขาก็เบียดเบียนผลใจที่ฤิษยานั้นท่านเห็นว่าเป็นใจที่ไม่สงบใจที่ร้อน เห็นใครได้ดีไม่ได้ตาร้อนก็อิจฉ า, า, า, นะาตาร้อนโบราณพูดดีนะอิจฉาตาร้อนร้อนถึงตาเลยร้อนแรงมากนะออกไปถึงตาเลยอิจฉาตาร้อนแต่อิจฉาที่จริงเป็นภาษาที่ผิดนะฮะอิจฉาเร็วความปรนะารถนาพระฤิษยามเขาเรียกอิจฉาบางคนค่อนข้างเรียกยากหน่อยเป็นเป็นเป็นตัวสอเสือสามตัวเป็นอิจฉาแปลว่าความริษยามนะ วัจิตใจใครก็ตามที่มีความริษยาที่จริงเวลาใดก็ตามนะพระเจ้าแตนยกตัวอย่างให้ดูว่ามันหนักไปอย่างนั้นเราจะเห็นว่าใจมันหนักไปอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเชียงเนี่เราได้ยินข่าวสารต่างๆฟั ง, งข่าวสารต่างๆพบเห็นเหตุการณ์บุคคลต่งางๆเห็นคนเจริญก้าวหน้าเห็นคนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจมันก็ริษยาแต่ตอนเช้ามันห่วงมันอยู่ที่บ้านลูกใช้น้ํามากกินมากคนใช้อะไรแต่ เราก็วุ่นวายไปเพราะความเสน่หบ้านนะเพราะความเสน่หจะได้ไปจ่ายตลาดโอ้จ่ายทำไมตั้งเยอะทํำไมของแพงอย่จ่ายไหมเห็มแม่มันเกิดริษยาปก็ริฤช า, า, าแล้วก็ไปด่าเขาอีกมันปัญหาเยอะแต่มันเริ่มจากริิยาที่บ้านนะฮะเริ่มจากสน่ห์ปัญญาเริ่มจากริษย า, ายยที่บ้านเมันเริ่มจากสน่ห์ถ้าลองสังเกตนะฮะใจเราสน่หเสียดายนั้นเสียดายนี่เป็นห่วงนั้นห่วงสิ่งเนี้อะไรเป็นยุ่งอยู่อย่างปฏิบัต แต่ว่าพอตอนเชียงนี่เรารด้ยังเราเราเสร็จกิจการงานที่บ้านมันข่าวคร า, าวติดต่อสังคมหรือรู้เรื่องข่าวคราวต่างๆแล้วไอ้ข่าวดีข่าวจเจริญก้าวหน้าอะไรแต่ไรหรือแม้แต่พวกติดตามหุ้นเนี่ร้อนชาทั้งวันเนยนะพวกติดตามตลาดหุ้นเนี่ร้อนชาอยู่ทั้งวันนี่ย น, นั่นก็คืออะไรก็มีคนได้มีคนเสียพอคนได้เราก็ริษยาเขา พอเราเสียเราก็เกิดความเสียใจนะฮะเกิดความเจด็ดาเกิดความเสียใ จ, ใจทีนี้พอตอนพอตอนค่าตอนกลางคืนตอนเย็นก็กลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านอีกแล้วก็ ก, ก, ก็ก็ตัดเรื่องต่างๆออกมาก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านถ้าจิตใจท่านบอกว่าจิตใจตอนเย็นนันกลุ่มถูกกลุ่มรุ ม, รมด้วยการมมราคะหมกบุนบุญวายแต่เรื่องการมมราคะ ตอนลงมาใจมันถูกเผาตลอดใจถูกเผาตลอดถูกเผาด้วยกิเลสทั้งตอนเช้าตอนเชี่ยงตอนบ่ายที่นี้มันไม่อยู่ที่ใจทั้งหมดเดี๋ยมันไม่อยู่ที่ใจเพียงแต่มันเริ่มที่ใจแล้วมันออกมาที่กายออกมาที่วาจาความทันี้เองตั้งใจว่าก็ออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นทุจริตบางทีก็ครบเลยนะฮะก็เลยตั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ ก็สนิทแรงๆนะฮะมีการทึงมีการดึงมีการตบตีกันนะนะฮะเพราหวงคนมาเอามาหยิบมช่วยไปเราก็สนีเราก็หวงก็เกิดเป็นความรุนแรงขึ้นทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้ทงใจความริษยาเองก็มีอักาณอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่มันจะออกมาข้างนอก อ, อาจจะต้องวิพากวิจาร อาจจะต้องตําหนิอาจจะต้องตัดรอนเอากลายเป็นวิจิทุจริตกลายไม้ใกล้มือบางทีอาจจะลงไม้ลงมือแต่ก็เพราะแรงดิสยาก็กลายเป็นกายทุจริตเพราะจริงๆทางเสื่อมเนี่ยมันมาจากกายวิจาใจนะฮะกลายจะเป็นทุจริตทางกายทางวิจารทางใจการมราคะามันก็มีลักษณะอย่างคือออกมาทั้งทางกายทางวิจารทางใจเป็นชีวิตที่หมกมุ่นบุญว่าอยู่เรื่องเรื่องของการมราณะ ที่มีการประรบปัญหาวิตกกองบนอะตระไรปัญหากันในปัจจุบันที่จริงเราเห็นว่าที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากกาม ร, ราคาดันั้นทำยังไงจึงจะไม่ต้องตกนะทุกเราจะเห็นว่าถ้าพูดโดยรวมนะฮะพูดโดยรวมจริงๆก็คือใช้ปัญญาเป็นหลัก ที่ทรงสอนโดยสรุปว่าปัญญายีวีจีีตมหุเสตธาชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐเจตในในกรณีของความความความสน่หรือมัจจัยญะณเนี่ยเราก็พิจารณาเป็นกรณีกรณีไปใจไม่ไปยึดติดอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่ไรเนี่ย เราก็ลดตุตรงนี้ลงลงไปได้ลดความดันนีลดความเสียดายลดความโวงเราไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเรื่องอะไรเราชอบหรือไม่ชอบเขาก็อยู่ของเขาอ่ะแต่การที่เราไม่ชอบนั้นแทนที่จะเป็นเป็นการทาลายเขาให้เราสังเกตนะฮะเป็นการทำลายเราไม่ได้ทำลายเขาเขาก็อยู่อย่างเขาอยู่ แต่เราที่อาศัยความไม่ชอบอาจจะอะไรละอาคาดอาจจะพยาบาทอาจจะผูกโกรธอะไรก็ตามเพราะไม่ชอบเนี่ยความรู้สึกของเราต่อเขามันกลายเป็นความร้าร้อนแก่เราแต่เขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เพียงแต่เรานั้นร่าร้อนเพราะความไม่ชอบและจะเดือดร้อนเราจะเห็นว่าจากความไม่ชอบเนี่ย เราก็ต้องการให้เขาพิบัติไปตามที่เราไม่ชอบก็คืออะไรก็คือคือนึกแช่งนึกแช่งนะฮะเป็นอาการของิหิงษาเป็นอาการของอางคาดพยจาราทีนี้ถ้าเขาเป็นอย่างที่ ท, ที่เราอยากให้เป็นเราก็จะสะใจมากและเราก็ร้อนอีกอะสะใจมากปรากฏเราเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเราต้องการให้เขาพิบัติเขามีความเจริญก้าวหน้าเราร้อนเลยทีเนี้ย เราร้อนด้วยแรงริษยาแล้วเขาก็เจริญนะเราก็เสื่อมเราก็เสื่อมเมื่อก็เป็นเชียนที่จุดแล้วทาลายตัวเองนะเราจะมองเชียนในแง่ที่มันร้อนเนี่ยคือจุดแล้วทำลายตัวเองแต่ถ้ามองในแง่สว่างมันก็ให้แสงสว่างนะเต็มคติชีวิตว่ากิเลสที่มันจุดแล้วมันทำลายตัวมันเองทำลายทาลายอะไรทำลายใจเราเอง คนที่เราอยากทำลายเราไม่ได้ทำลายหรอกแล้วถ้าเราทำลายเราก็ทำลายตัวเราหนักขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเราจะทำลายหรือไม่ทำลายเช่นว่าไขา้ตายก็ทาลายไม่ทาลายาก็ตายอยู่แล้วตายวันไหนเปนเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปทำลายเข้าเราก็เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นเราก็จะเดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นทีนี้ในวัตถุสิ่งของ เราจะหนีเราหวงเราเราเก็บเราอะไรแต่อะไรไว้เนี่ยนะมีคนจะหีบางคนเก็บข้าวของเก็บทุกอย่างเลยนะไม่ยอมให้ใครเลยแล้วผลสุดท้ายเนะี่ยเป็นยังไงผลสุดท้ายสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สี่นั้นเราก็ไม่ใช้ แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดบ ม, มันเสื่อมสภาพมันหมดไปแนวความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่าการได้มาถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลายนในความคิดแบบระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าหนึ่งใช้นีนะ่สองให้กู้สามชิ้งเหว สี่ฝังไว้เจ้าสมบัติเนี่ยต้องใช้อย่างงี้ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูบุตรธิดาค่าถาดปริวาลวงสาขนาดใหญ่สงเคราะห์คนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูอุปการะคนที่มีอุปกา ร, ระส่งเสริมสนับสนุนเรามาเราเป็นหนี้ท่านชีวิตเราเราเป็นหนี้ท่านเราก็ให้ท่านใช้หนี้ท่าน และส่วนหนึ่งก็ทิ้งลงไปในเหวก็คือคือบริโภคใช้สอยเราเห็นว่าเรากินที่จริงก็เหมือนกับทิ้งเหวนะไม่เต็มสักทีนึ่งและอย่างหนึ่งก็เก็บฝังไว้ก็คือทำบุญเป็นบุญญาณิธิเก็บฝังเอาไว้เพื่อเอามาใช้สอยสมัยสมัยนั้นก็พูดหับซับก็ฝังดินนะสมัยนั้นก็ใจใจฝังดินพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าบุญญาณิธิ เป็นขุมทรัพย์คือบุญที่ที่อะไรขุมทรัพย์ที่เราฝังเนี่ยโจรขโมยไปได้แล้วอาจจะฆ่าเราด้วยนะฮะอาจจะเอาทรัพย์ไปด้วยแต่ว่าบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวที่ทรงใช้คำว่าอโจรห้ารดูนิชิโจรก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ไม่สาธารณะแก่ใครใครทําก็นั่งก็ได้มันเรื่องขอกรรมใครทําก็ได้คน คนอื่นก็ต้องการจะได้คนอื่นก็ต้องก็ต้องทำเอาทํานองเดียวกับเรื่องการได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดมได้จับต้องผลบุญมันก็เหมือนอย่างนั้นนะะเหมือนกับใครกินน่ะคนนั้นก็อิ่มใครอ่านหนังสือคนนั้นก็รู้ใครอาบน้ํำคนนั้นก็สะอาดใครดูคนนั้นก็เห็นใครฟังคนนั้นก็รู้ใครจับต้องคนนั้นก็รู้สัมผัสว่าเย็นว่าร้อนว่าอ่อนว่าแข็งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยเรื่องเฉพาะตัวทีนี้จากอยู่ตรงนี้ถ้าเราคิดต่อ แต่เราคิดต่อได้ท่านจะเห็นว่าเวลาคนอื่นเขาทำชั่วเนี่ยเราไม่ไปซ้ำเติมเขาถ้าเราไปซ้ำเติมเขาแสดงว่าเราขอโดยสารทำชั่วด้วยหาเรื่องทำชั่วด้วยเขาไม่สอนใน้อาศัยโดยสารคนอื่นก็ทําชั่วแต่ถ้าเขาทาดีในเราอนุโมทนาให้แต่เราสังเกตนะทํทำดีพระเจ้าสอนในเรื่องอนุโมทนาถ้าเขาทำชั่วทำไงถ้าเราทำได้เนี่ยแต่เราทาได้นะฮะ เราก็สงสารเขาเกิดกรุณาคนชั่วต้องมองด้วยกรุณานะฮะมองด้วยอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องมองด้วยกรุณามองอย่างอย่างน้อยก็เมตตาถ้าไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวก็เบกยขาแต่มุติตาไม่ได้นะฮะมุติตากับคนชั่วไม่ได้มองด้วยกรุณาต้องการช่วยเหลือเขาหลุดพ้นจากความชั่วมองด้วยเมตตาปรารถนาดีมุ่งดีต่อเขาหรือว่านอกวิสัยช่วยอะไรไม่ได้เราก็วางเฉย ถ้ามองอย่างนี้ใจจะไม่ร้อนใจจะไม่ร้อนเพราะว่าพอเราทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยเราก็อุเบกขาเลยทำไม่ได้ปั๊บในกรณีใดเราก็ทำเบกขาเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคนแล้วก็จากทัพย์ได้ทั้งสองอย่างในด้านศิลธรรมจั ญ, ญานะพูดพูดถึงว่าระดับศิลธรรมจัญญาทรัพยก็เลยถูกถูกใช้ไปทั้งสี่เรื่อง นะทั้งทิ้งเหวนะทางให้กู้ทางใชน้นี่ทางฝังไว้เป็นบุญยนิธิตรงอื่นเราจะเห็นว่าการการให้กู้ลูกหลานก็จะเลี้ยงดูเราการใช้นี่เป็นบุญนะเป็นบุญคือทำบุญแก่พระราหันในป่านเลี้ยงดูพ่อแม่การฝังเอาไว้ก็เป็นสิ่งติดตามเพราะงั้นการ การให้กู้เนี่ยทรัพย์เหล่านั้นก็มาเลี้ยงเราในตอนแก่การใช้หนี้กับการฝังไว้ทรัพย์นั้นก็ติดตัวเราเป็นสิ่งที่ติดจิต ใ, ใจเราเป็นบุญยินิีทินี่ก็คือก็คือคือแนวที่เรียกว่าอะไรคือขจัดปัจจัยรุยยะทำให้เรามีความรู้สึกดีต่อผลทำให้เรารู้รู้ประโยชน์ของการใช้สอยทรัพย์หมายความประโยชน์ในการดำเนงชีวิตเราก็ได้จากทรัพย์เหล่านั้น ในขณะเดียวกันแม้ตายไปแล้วเราก็แปลงทรัพย์เป็นบุญที่ตามเราไปได้สมบัติเหล่านี้มันติดโลกแต่เราก็เอาอไปได้ด้วยการแปลงให้เป็นบุญประการต่อไปก็เรื่องริษยาริษยาตั้งหลายมันจใจะเห็นว่ามันก็เรื่องคนอีกละมันเรื่องกับคนคือเราชื่นชมในแง่ของกรรมเราจะมองในแง่ของกรรมเราจะเข้าใจ เพราะคนริษยาคนที่ถูกริษยานั้นคือคนดีคนที่ได้ลาบได้ยศได้สุขได้สรรเสริญเพราะงั้นใครไม่ริษยาคนเสื่อมไม่ไ ม, ไม่ไม่ริษยาคนเสือเส่อมลาบเสื่อมยศนินทาประสบความทุกข์ไม่ริษยาแต่มันมั น, ม, นมันเกิดอันเกิดวิ่งสาเกิดเกิดความเบียดเบียนไปซ้ำเติมเขาอย่างที่ว่าซ้ำเติมเขาริษยาจึงเกิดในกรณีดีนะริษยาจะเกิดในกรณีดีนะ วิ่งสาจะเกิดในกรณีที่ไม่ดีตอนนั้นถ้าเรามองในแง่ของกรรมวิาการที่เขาได้เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่นิ่งวิ่งได้ก็เป็นเรื่องความเพียรพยายามการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของเขาเราก็ชื่นชมยินดีกันทีนี้ถ้าเราอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้วิธีแย่งเพแย่งมันไม่ได้ ก็ใช้วิธีปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับท่านได้แนวตรงนี้ท่านต่างหลายลองสังเกตว่าแนวที่เราเคยเอามาพูดเนี่ยนวิมานวัตถุแนวเทรีคาถาเทาระคาถาตลอดถึงพวกจริยาปิฎกเรื่องพระพุทธเจ้ามันเป็นการศึกษาจางตัวคนศึกษาปฏิปทาของคนท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมท่านจึงได้อย่างนั้นเราก็มาศึกษาตัวเหตุศึกษาตัวเหตุว่าทาไมจึงได้อย่างนั้น แล้วถ้าเราต้องการได้เราก็ปฏิบัติตามนั้นมันก็เหมือนกับว่าคนไปนั่นไปนี่แล้วก็ไดพ้พบเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปทางไหนเราก็ศึกษาทางไปเราต้องการจะได้เราก็ไปทางนั้นเพราะฉะนั้นทางนี่มันมีมันเป็นมรรคธรรมะจึงมีลักษณะเป็นมรรคเป็นถนนเป็นหนุนทางที่จะบอกราให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางเ่านันตกลงว่าเขาก็ได้ตามกรรมของเขา เราเองก็ได้ตามกับมรพันในกรณีนี้ท่านยังสอนในมุติตาเห็นไหมว่าคนประสบความเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่สอนในมุติตาประมุติตาและชื่นชมก็อยากจะเป็นอย่างเขาด้วยเลยก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่เกี่ยวมุติตาในกรณีที่เขาดีซึ่งโดยพืชจิตแล้วมนุษย์จะต้องต่อต้านกับตัวริศยาแต่ถ้าเราเรามุติตาเราจะได้อย่างที่ท่านได้อย่างน้อยที่สุดใจเราก็จะ เออท่านก็ได้เราก็น่าชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีะอย่างกรณีของท่านเจะคุณธรรมบิดกท่านประยุทธ์นี่นะฮะรางวัลโูเนสโกรางวัล น, นี้ไม่เคยได้ทวีปเอเชียนะมันเคยได้อยู่14รายแต่ใ น, นเ้องทั่วโลกเอเชียเราไม่เคยได้นะคนเอเชียไม่เคยได้มีได้อยู่ทีในแมชีเทเลซาที่การกัตตาของอินเดีย แต่ไม่ใช่คนเอเชียเป็นคนคนอเมริกาองค์กรกุศลแห่งหนึ่งที่เกาหลีเคยได้หลายปีเวลาเคยได้แต่ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเป็นสถาบันเป็นสถาบันถ้าคนแล้วก็ท่านจะคุณทําบิดกในคนแรกเลยแล้วก็ดีใจนะฮะดีใจชื่นชมยินดีที่ว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาติแล้วก็ของพระเราด้วยของพระสงฆ์เราด้วย แต่ก็อย่าไปคิดว่าทุกคนจะต้องมูติตานะไม่ใช่พอเห็นได้แล้วก็ประกาศอะไรคือเป็นปัจเจกชนมาเตือนตื่นเตือนเมื่อวานมองเป็นปัจเจกชนไม่ใช่บอกบุญสร้างสร้างกุฏิหรือสร้างวัดนะนะวัดอันนั้นมันเป็นสาธารนณะวัดเป็นสาธารนณะโรงพยาบาลเป็นสาธารนณะมันบริจาคบอกคนรั่วไปได้แต่ถ้าพอปัจเจกชนแล้วต้องบีบนะต้องบีบประไว้ ที่เราจะเช่นชมก็เฉพาะคนที่เขาไม่มุติตาแต่นั้นเองนะเฉพาะกับคนที่มุติตาแต่เองถ้าคนที่เขาลิษยาเราไปยุ่งก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ใครคิดยังไงไม่รู้ใครใครคิดยังไงเพราะไม่ต้องบีบปรุงไว้ก่อนแล้วคนอื่นก็รู้ข่าวก็เหิญชมยินดีหมายความมันคล้ายๆกระทาบุญวันเกิดเนี่ยนะท่า น, นหลายลองสังเกตว่าทําบุญวันเกิดกระทาบุญฉลองอะไรนะทําบุญฉลองเนี่ย สมมตรฉลองกุฏิฉลองวัดเนี่ยเราตั้งโต๊ะบริจาคได้ถ้ามบุญมันเกิดตั้งไม่ได้นะครับธรรมบุญมันเกิดตั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะปัจเจกนชนเท่านั้นเองสมมติลูกศิษุกหาก็จะมาช่วยมันก็เรื่องเฉพาะเขาเรื่องเฉพาะเขาไม่ใช่เป็นการสาธารณะเป็นกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น พื้นจิตของคนในโลกมันประกอบด้วยทิศยาประกอบด้วยวิญญาอย่างที่บอกจึงต้องเ ป, เ, ปเป็นเป็นเรื่องต้รมัดระวังทีนี้การแก้ตรงนี้ถ้าเราใช้ปัญญาตัวเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกระบวนการของกรรมสิ่งที่เขาได้เนี่ยอะไรก็ตักมันเกิดจากกรรมคือความดีของเขาแล้วถ้าเราได้ละเราก็ทําความดีก็เกิดเป็นมุติตากับเขาอย่างน้อยเนี่ยเราแม้เราจะไม่ได้นะ แต่เราก็ไม่ทำชั่วบริสยาเราแสดงความชื่นชมยิดีกับเขาก็เป็นการทำดีโดยมุติตาเป็นหนึ่งในพรหมิหาัแต่อย่าลืมว่ามุติตามันเกิดไม่ได้ถ้าเราขาดเมตตากรุณาเป็นฐานมา ก, ก่อนคนที่เรามุติตาได้ก็ต่อคนที่เรารู้สึกดีแต่นั้นเองแต่รู้สึกไม่ดีต่อเขาเรามุติตาไม่ได้อย่างที่บอกไว้ว่า เวลาคนได้ดีที่จริงเราก็มุติตาเยอะนะแต่ถามว่าใครคือคนนั้นเราต้องรักเคารพนับถือศรัทธาอะไรก็ตามเลยนะดีๆ ด, ด, ดีเช่นเช่ น, ชนมีการร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติอะไรวันเฉลิมฉลองบรรษาเนี่ยเพราะเราเคารพนับถือศรัทธาเราจงรักภูดีเราเป็นสุขที่ได้ทําอย่างนีน้รู้สึกเป็นสุขก็ขอได้ทํานะขอได้ทําแต่นั้นเองแล้วรู้สึก เป็นสุขพันแนวเขาเรียกอะไรแนวเขาเรียกวีรบุรุษนิรานามถ้าแต่หลายลองสังเกตว่าพระมหากษัตริย์ของเราที่กู้ชาติอย่างพระเจ้าตากสินที่ท่านกู้ชาติอะไรก็เหมือนกันนะพระนายส่วนก็เหมือนกันเราม่มีวีรบุรุษนิรานา ม, มเยอะพวกนี้อแอบเป็นกองโจรซุ่มทําลายส่งกำลังบำรุงเอาข้าวของอาหารมาให้เนี่ยเสร็จแล้วพระกู้ชาติเสร็จก็กลับไปทํานาทําสวนก็เหมือนเดิม เขาเป็นสุขที่ได้ทำตอนนะั้นขอให้ได้ทำแล้วเขาเป็นสุขแต่นั้นเด็กเขาไม่ต้องการอะไรนะเรียกวีรบุรุษนิราานาะมเหมือนกับญี่ปุ่นเขาเขาบอกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะตอนญี่ปุ่นเข้ามาไทยเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศไทยมีประชากร1ิบดล้านมีโจนยี่สิบ็ดล้าน <c oughs> ญี่ปุ่นมันแค้นมากเลยข้าวของวางตรงไหนคนไทยขโมยหมดทาล้าน อยู่ในรถไฟว่าถีบทิ้งได้เลยไม่มีอะไรไม่ได้เอาอะนะขอให้ได้ทําลายญี่ปุ่นแต่นั้นเองแล้วทุกคนพร้อมเพรียงกันทุกคนพร้อมเพรียงกันนั่นคือกับศัตรูพวกนี้จริจริงมันเป็นพวกนินนาหเป็นการตัดทําลายกําลังของศัตรูแม้เป็นอันตรายต่อชาติแต่ออกรบจริงๆก็ออกรบไม่ได้แล้วนะเขาทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นนี่ก็คือแนวแนวร่วมนะแนวร่วมในการในการทำ แต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ที่ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วนั่นก็เรื่องศึกสงครามมันเป็นเป็นอีกระดับดตรงนี้พื้นฐานสําคัญเนี่ยท่านก็สอนมาที่เมตตาถ้าเราเมตตาได้เรามุติตาได้แล้วเราไม่ไม่บีงงคัคือไม่เบียดเบีย น, เ, นเพราะเราเกิดกรุณาถ้าเมตตาแล้วเราเกิ ด, เ ก, ดเกิดกรุณาได้ตอนนั้นท่านเมตตาท่านจึงสอนไว้เป็นหลักในตอนต้นอย่าลืมนะเมตตาบางคู่กับปานานะ ปนาธิบาตเลยก็พัฒนาจิตมาจากปานาเน่งดเว้นก่อนตอนสีนีน่งดเว้นก่อนตอนธรรมะก็ให้มีเมตตาต่อคนแต่นี้คนในเรารู้สึกรักชังอะพอถึงคนเรามันติดปัญห า, าทุกทีก็รู้สึกรักชังทํำยังไงว่าค่อยๆแผ่เมตตาขยายไปทีละทีละจุดเล็กๆทีละจุดเล็กๆเรียกแผ่เมตตาคือจเจริญเมตตาเนี่แผ่ไปในะจุดเล็กๆไ ม, ไม่ใช่ทีเดียวพวดเดียวนะฮะจริงทําไม่ได้หรอก ค่อยๆทำเอาให้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนจิตมีความรู้สึกเมตตาที่เป็นสากลตรงนี้ให้เห็นชัดว่าเป็นกระแสะของกรรมที่จริงก็ทำดีเขาก็ได้ดีนะก็ทำดีเขาเขาได้ดีถ้าเราต้องการได้ดีเราก็ทำดีก็จบละกระแสะกรร็กลับทีนี้การมราคะกรรมราคะนั้นเป็นเป็นเรื่องอะไร เรื่องโลกกันนะฮะเป็นเรื่องกามอาวุจรภูมิเป็นเรื่องสัตว์โลกแต่ไม่ใช่เรื่องของการหมกมุ่นนะไม่เรื่องของการหมกมุ่นเราเราจะเห็นว่าชีวิตแบบแบบเป็นธาตุการมราคะก็คือพวกอบายทั้งหลายพวกอบายมุกทั้งหลายเนี่ยการมราคะก็หมายถึงโลภะด้วยนะฮะึงโลภะด้วยเพราะกิเลสตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าการมราคะนั้นจะเน้นหนักไปในทางเพศนะโลภะจะเน้นหนักไปในทางวัตถุ ซึ่งก็มายความา่าจิตใจที่ข่อยคว้าเหมือนกันตัวนี้จะ ต, ต้องมองเห็นโทษต้องมองเห็นโทษที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะฮนะ อ, อาศัยตัณหาละตัณหาตัณหาในเราอาศัยมันได้อาศัยแล้วเราละมันได้คล้ายๆกับตัณหามันเป็นเรือเราอยากได้นิพพาน สาบใดที่เราไปยังไม่ถึงเราก็อยากได้อย่างนี้นะอยากได้แล้วพอถึงเมื่อต้องทิ้งต้องทิ้งตระหนามือก็เรือที่เราอาศัยข้ามฝากจากฝฝั่งนี้กว่าจะถึงฝั่งโน้นเราก็ต้องอาศัยเรือแต่พอถึงฝั่งต้องต้องทิ้งเรือจึงขึ้นฝั่งได้แต่พอถึงกามราคาพะพระเจ้าบอกถอนใหชักสะพานให้ชักสะพานเลยให้ชักสะพาน เพราะอะไรเพราะอาศัยไม่ได้เลยกำราค่าเนี่อาศัยมันไม่ได้อาศัยแล้วไปใหญ่เลยนะเพราะอะไรเพราะอิม่มความอิ่มในกามทั้งหลายไม่มีเป็นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักคําว่าอิม่มจิตมันพร่องอติตังเยวระกามเมสุคือไม่ไม่ความมากกามทั้งหลายเนี่ยมันไม่อิม่มที่ท่านแสดงเรงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยว่าโลกสัตว์โลกเนี่ย จัตุโลกนี้พล่องพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกินเป็นาธาตุของตันหาเพราะงักรมราคะอย่าลืมนะจะตอบสนองไม่ได้เลยตอบสนองเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ไปเลยทําลายสุขภาพกายทําลายสุขภาพจิต้ลองดูห้องเต้จีนกันแล้วกันนะนะของเต้จีนนี่ขนมสามพันนะนะสนมนี่สามพันโอมหาศาลเลยอายุช้านั้นนั้นนะพวกข้องเต้จีน เพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านสอนในชักสะานป็นที่นี้มันเป็นกามาภพอะเป็นกามาภูมิอะทำยังไงล่ะพระเจ้าก็สอนในแนวบัญญะบัญญัติเราจะเห็นว่าแนวกามาเอกาเบสุมิจจาย์คือแนวคุมก็อยู่เป็ น, ปนครอบเป็นครัวไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าถึงใกล้มากเกินไปอย่าถึงกับเป็นชู้ ากสู้หลายเมียอะไรแต่ไรเนี่ยนะมันกา ร, ราคามากไปมีปัญหาแล้วทีนี้มันดึงกันใหญ่แล้วตกนรกแล้วทีนี้ถ้าจะลดได้มากกว่านั้นลดลดสับ้างนะรักษาสีนุโบสดส้อบ้างจากน้อยก็เดือนละสี่ครั้งก็เป็นส้อบ้างวันพระวันโกนอะไรไรในสมัยโบราณนะเราจะเห็นว่ามันเป็นประเภทนี้เพื่อจะบรรเทาตรงนี้ให้จิตใจไม่เล่าร้อน เพราะว่าถ้าจิตใจร่าเรอนตรงนี้แล้วเนี่ยผลรูปธายมันก็เป็นเป็นเป็นธาตของการมกุศและในสุดจิตมันเอื้อมนะฮะพวกนี้มันเอื้อมไปกันใหญ่เลยก็ตกนรกที่จริงก็ตั้งแต่ก่อนตายกตกนร ก, กตั้งแต่ก่อนตายแล้วดังนั้นตัวนี้จึงเป็นเป็นตัวเหตุทีนี้ทํำยังไงท่านสอนในบรรเทานะฮะท่านเจนว่าสอนในบรรเทาสอนในบรรเทาระดับโลกไม่ได้สอนในละหรอ เพราะยังไงยังไงมันยังละไม่ได้ก็สอนบันเทาแล้วกันสอนบันเทาระดับศีลห้าสอนบันเทาระดับศีลแปดสอนบันเทาระดับกามสังวรหเห็นไหมกรรมสังวรเนี่ยคือว่าเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องเหล่านี้ต้องระพัดระวังก็อยู่ศีลแปดที่จริงที่จริงมันไม่ใช่ศีลโบสถ์เนี่ยกวันหนึ่งก็คือหนึ่งนะศีลโบสถ์เนี่ยงดเว้นวันหนึ่งก็คือเนี่ย พอศีลแปบางคนเว้นได้เยอะก็แล้วแต่รักษาได้นานขนาดไห น, นก็สรุปว่าเริ่มจะต้องการให้ลดความรู้สึกตัวนี้แล้วก็มีอุบายวิธีต่างๆธรรมะในการสอนทั้งหลายจะในอะไรละ่จะจะโภชเนมัตันยูตารู้จักประมาณในการไม่พกผ้าตาหารไม่ดูฟ้อนรํากับร้องประโคมด น, นตรีดิสที่เปล่าไม่กินอาหารเย็นอนะไรแต่ใดเนี่ยนะแต่ละอย่างนี้ช่วยในเรื่องของการมราคะ พวกราคามันเกิดมาจากกายกายด้วยนะฮะตัวกายด้วยแล้วเกิดมาจากจิต ด, ด้วยเพราะนั้นการแก้จึงแก้ทั้งสองอย่างแต่พวกฤทธยาพวกฤทธิยาก็ดีพวกมัจฉริยะก็ดีท่านใจเนี่ยมันเกิดที่จิตมันเกิดมาจากจิตแต่ในขณะเดียวกันจิตรู้สึกว่าตัวมีตัวเป็นตัวได้จิตไปไปมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วของเหล่านั้นที่จริงมันก็นอกจากตัวเรา แต่ว่าสิ่งที่เราตัวนีก็นอกจากตัวเราคนที่เราริษยาก็นอกจากตัวเราแต่การมราคะเนี่ยมันเป็นเรื่องปนปลือตัวเรื่องตัวเองเรื่องตัวของเราแต่ละคนเป็นเหตุให้ตกนรกแล้วเป็นเหตุที่จะให้ได้รับความสุขในปัจจุบันด้วยการบรรเทานะฮะดยการบรรเทาตรงนี้ทั้นทั้งท่านกศในแนวบรรเทาก็ทํำยังไงมันจา ง, จางๆลงไปได้บ้างนะะ จะถูกรุ่มรุมหมก ม, มุ่นบุนวายจังเกินไปให้ใจิตใจสงบเพราะแนวสมาธิต้นเด็ว่าแนวสมาธิตัวสมาธินี่คือตัวสงบตัวนี้ตัวสงบตัวกามราคะกิเลสประเภทคว้าแต่ท่านบอกสมาธิเป็นปฏิปักษ์ตัวกามฉันกามฉันก็คือการมราคะนั่นเองแต่ว่ามุษย์ความรุนแรงลงไปแล้วมันอยู่ระดับของความคิดนะฮะอยู่ยภาใ น, ในใจิตใจของเรา ทั้งหมดนี้เป็นเป็นหลักที่แสดงให้เห็นว่ายุคสมัยทําไมพระอนุรุตันจึงเห็นอย่างนั้นมันก็ต้องมองกลับปยุคสมัยฮะอย่าลืมนะยุคสมัยนั้นยุคกามาสุขานิการนโยกยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคกามาสุขานิการโยกมีฮาเร็มนะฮะมีฮาเร็มคนคนเดียวมีเมียเป็น4ี่ห้มีเมียเป็นร้อ เ, เ, เลย ว่ามันหมก ม, มุ่นวุ่นวายเรื่องนี้มันไปเสร็จแล้วมันก็อยู่มันก็ยื้อแย่งแข่งขันกันมันก็วุ่นวายไม่สงบลองนึกดูลองนึกภาพดูกันเลยกันภาพเจ้าชายจิตตตะเออยพระยะเอญนี่เราเห็นโอ้ร่องรอยของกาญสุขัญกาเนโยกนี่เยอะจริงๆมากมายมหาศาลวุ่นวายแต่เรื่องตรงนี้พระยาศาต้องบนเราที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดข้องทีนี้วุ่นวายที่นี้องอันนี้คือโลก เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสสังคมมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปสะท้อนภาพออกมาว่าชีวิตหลังตายเป็นยังไงชีวิตหลังตายเป็นเป็นยังไงก็อย่างอย่างที่ท่านบอกว่าเวลาคนประพฤติปฏิบัติความดีเนี่ยสวรรค์ก็เต็มไปด้วยประชากรสวรรค์เวลาคนชั่วเกิดมากๆไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมันมันนรกมันแอจะเทีสวรรค์มันว่างไม่มีคนไปเกิดนั่นก็คือการสะท้อนภาพจากสังคม พฤติการมตั้งหลายจากสังคมคล้ายๆกัในยุคสมัยปัจจุบันท่านท่านานายลองลองสังเกตว่ายุคในสมัยปัจจุบันเราถ้าไม่ลดกระแสความรุนแรงไม่ได้ชี้นำความถูกต้องให้เกิดการสารวมระวังที่จิตใจกันบ้างนะฮะอันตรายจะต้องแรงแน่นอนเพราะจริงๆคนเริ่มจะไม่ค่อยมีหลักสังคมเราเริ่มจะเดียวลูกหลานแต่งงานแล้วก็แยกเดียวออกไป นะความคิดในสมัยนี้ต้องการแยกเดี่ยวต้องการแยกเดี่ยวไม่อยากจะทนอารมณ์ของพ่อของแม่อะไรแต่ไรเนี่ยจะแยกเดี่ยวไปไม่ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับพ่อตาอะไรล่ะพ่อตาแม่ยายอะไรล่ะพ่อสามีแม่สามีอะไรแต่ไร น, นี่นี่ น, นี่นี่คือคือปัญหาว่าความรุนแรงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นทิศในในใจของคนและต่อต่อไปก็จะลามามไปจนถึงสังคมเพราะงั้นทิ้งเหล่านี้ท่านจึงสอนให้ในรูปของการบัดเดืไว้ บอวันนี้ขาขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขพราความเจริญ ง, งอกงามไปปูดในธรรมจะมีทดกท่านฟังทนายโดยทั่วกันทุกท่านถือ